หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่หนึ่งชาติภูมิหลวงปู่แหวนสุจินโนมีภูมิลาเนาเดิมอยู่ที่บ้านโปตตาบหลหนองในปัจจุบันคือตาบล น, นาในอำเภอเมืองจังหวัดเลยหลวงปู่แหวนมีชื่อว่ายานเกิดเมื่อวันที่สิบหกมกราคมปีพุทธศักราช สอ3พิตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำเดือนยี่ปีกุนบิดาชื่อนายใสรามจิริปูและย่าไม่ปรากฏชื่อมารดาชื่อนางแก้วรามจิริยายชื่อยายขุนแก้วอาชีพของบิดามารดาคือทำรรนาติดเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบางอบทยพมานานแล้วหลายชั่วคน อาชีพพิเศษอย่างหนึ่งของนายไสผู้เป็นบิดาคือเป็นช่างตีเหล็กมีความชำนาญในการหลอมเหล็กและตีเหล็กมากเป็นที่เรื่องรือของคนในถินนั้นหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนคือหลวงปู่กับพี่สาวที่นางเด่งราชอักษรมารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่หลวงปู่ยังเล็กบิดาได้มีภรรยาใหม่อีกสามคน ตามลำดับดังนี้พัน ร, รยาคนที่สองมีบุตรหนึ่งคนคือนายคำเมื่อพันรยาคนที่สองถึงแก่กรรมอีกบิดาก็ได้พันรยาคนที่สามมีบุตรหนึ่งคนชื่อนางนําหลังจากคลอดลูกสาวได้เน่นานพัน ร, ร, รยาคนที่สามก็ถึงแก่กรรมอีกบิดาจึงมีพันรยาคนที่สี่มีบุตรธิดาสี่คนบุตรชายชื่อนายป้าย และบุตรสาวชื่อนางกองไทยนางตาบนางพวงและนางพวงตามลำดับเมื่อหลวงปู่แหวนอายุได้ประมาณห้าขวบโยมมารดาเริ่มป่วยกระเจาะกระแตะรักษาเยียวยาหมอพื้นบ้านตามที่มีในกระใหมนั้นอาการก็ไม่ดีขึ้นนิแต่งกลับสุดลงเรื่อยๆแม้โยมมารดามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่ท่านก็เป็นคนใจบญสมทาน ไหว้พระทาบุญอยู่เป็นประจำยมมารดารู้ตัวว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานจึงเรียกลูกชายเข้าไปหาจับมือลูกรักไว้แน่นแล้วพูดเป็นการสั่งเสียว่าลูกเอ๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกรเพื่อตามแม่ไม่ยินดีแม่ยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่เมื่อลูกบวชแล้ว ก็ให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะคำต่งเสียของมารดาในครั้งนั้นเป็นเหมือนประกาศิตสวรรค์ที่กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตของหลวงปู่ท่านจดจำคำต่างเสียของมารดาตรึงแน่นอยู่ในหัวใจไม่เคยลืมและคำั่งนี้เป็นพลังใจให้หลวงปู่สามารถปัน่นฝาอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่เคยท้อถอย ท่งผลนให้ท่านบรรลุถึงธงชัยในพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าเลื่อมใสตั้งชาเป็นที่ยิ่งหลังจากตังเสียบุตรชายได้ไม่นานโยมมารดาของหลวงปู่ก็ถึงแก่กรรมเด็กชายยานและพี่สาวจึงได้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคุณตาและคุณยายต่อมาคืนหนึ่งคุณยายของท่านได้ฝันไปว่าเห็นหลานชายตัวน้อย นอนอยู่ในดองขมิ้นผิวกายแลดูเหลืองอารามไปหมดคุณยายเชื่อว่าเป็นฝันดีถือเป็นบุพพ น, นิมิตแสดงให้เห็นว่าหลานชายของท่านคงจะได้มีวาสนาอยู่ในสมณรกเพศตามที่มารดาต้องการตื่นเช้าคุณยายได้เล่าความฝันให้หลานชายฟังว่ายายฝันประหลาดมากฝันว่าเห็นเจ้าไปนั่งอยู่ในดองขมิ้น เนื้อตัวของเจ้าดูเลี้ยงอารามไปหมดเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนะักยายเห็นว่าเจ้ามีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชเรียนยายจึงอยากให้เจ้าบวชตลอดชีวิตไม่ต้องตึกออกมามีลูกมีเมียตามที่แม่เจ้าบอกไว้เจ้าจะทำได้ไหมนับเป็นประกาศติดครั้งที่สอง เด็กชายยานได้รับปากตามคำขอของยายทำให้ยายปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งเด็กชายยานมีเพื่อนเล่นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีศักดั์เป็นน้าชายทั้งน้าและหลานมีความใกล้ชิดสนิทสนลมกันมากวันหนึ่งคุณยายได้เรียกเด็กชายทั้งคู่เข้าไปหาแล้วพูดอย่างเป็นการเป็นงานว่ายายอยากให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเนน จะบวชให้ยายได้ไหมครั้นบวชแล้วก็ไม่ต้องศึกเจ้าจะรับปากยายได้ไหมฝ่ายน้าชายตอบรับตามที่ยายต้องการแล้วยายจึงถามหลานชายอีกว่าแล้วเจ้าล่ะจะว่าอย่างไรจะบวชให้ยายได้ไหมบวชแล้วไม่ต้องศึกเด็กชายยานตอบยืนยันตามที่เคยสัญญาไว้ว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิต ตามที่แม่และยายต้องการคุณยายแสนปราบลืบ่งยินดีเมื่อหลานชายรับคำว่าจะบวชตลอดชีวิตจึงได้จัดหาบริขารสำหรับบวชเนฉจนได้ครบคุณยายจึงได้นำหลานชายทั้งสองไปถวายตัวต่อพระอาจารย์คำมาซึ่งมีตักเป็นน้าของหลวงปู่และเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยวัดประจำหมู่บ้านนาโขงนั่นเอง แพื่อหลานทั้งสองได้ฝึกขานหน้าและเรียนรู้ทำเนียมการอยู่วัดเตรียมจวบรรพัชชาเป็นสา ม, มนเณีต่อไปทั้งน้าชายและเด็กชายยานจึงได้บรรพชชาเป็นสา ม, มนเณีที่วัดโพชัยแห่งนั้นขณะนั้นอยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช2439สา ม, มนเณีแหวนมีอายุได้9ปีหลังจากบรรพชชาเป็นสา ม, มนเณีแล้ว เด็กชายยานได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสามเณรแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแรกได้ประมาณสองเดือนสามเณรที่มีศักเป็นน้าชายเกิดสาพากสุดที่จะเยียวยาได้จึงถึงแก่มรณภาพในที่สุดการสูญเสียในครั้งนั้นทำให้สามเณรแหวนจเจือเลินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะสามเณรที่มีศักเป็นน้าชายนั้น เป็นทั้งยาตเพื่อนเล่นและเป็นคู่หน้าตอนบรรพชาด้วยกันเรียกได้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตั้งแต่เกิดและไม่เคยแยกห่างจากกันเลยเป็นการประเทินใจครั้งที่สองหลังจากต้องสูญเสียโยมมานดามาเป็นครั้งแรกคุณยายพยายามพูดปลอบใจสามันเนรรวมทั้งพูดเตือนย้ำคำขอร้องแต่เดิมว่า หลานจะบวชอยู่ในผ้าเหลืองไปจนตายตามที่รับปากกับยายได้ไหมสามเนนแหวนยังคงรับคําหนักแน่นเช่นเดิมการบรรพชาเป็นสามเนนอยู่ที่วัดบ้านเกิดนั้นสามเนนแหวนไม่ได้ศึกษาอะไรมากเพราะไม่มีผู้สอนเพียงแต่หัดไหว้พระสวดมนต์รับใช้พระพรวมทั้งวิ่งเล่นบ้างตามประษาเด็ก กิตติศัพท์ในสมัยก่อนคืออุบลเมืองนักปราศโคราชเมืองนักมวยด้วยเหตุนั้นทั่วแคว้นแดนอีสานทั้งหมดถ้าใครต้องการศึกษาเล่าเรียนทางบาลีทางธรรมะจะต้องไปศึกษาเล่าเรียนตามสำนักเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสำนักที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งด้วยกันผู้ใหญ่ต้องการให้สามเณรแหวนได้รับการศึกษา พระอาจารย์อ้วนซึงมีตักเป็นอาจึงได้พาสัมเนนแหวนหลานชายเดินทางไปจังหวัดอูบล ร, ราชธานีเพื่อไปศึกษามูลกัจดใจซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับพระเนนที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นจังหวัดอูบล ร, ราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามูลกัดใจกันอย่างแพร่หลายมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งถือเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนา อย่างเป็นหลักเป็นฐานสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมากและมีจํานวนนักเรียนมากได้แก่สำนักเรียนเบลุวันสำนักเรียนบ้านไผ่ใหญ่สำนักเรียนบ้านเค่งใหญ่สำนักเรียนบ้านหนองหลักและสำนักเรียนบ้านสร้างทอพระเน้นทั่วภาคอีสานที่ไปต่อการศึกษาต่างเดินทางมายังสำนักเรียนเหล่านี้การเรียนมูลกัดายเป็นการเรียนที่ยุ่งยากมาก ผู้เรียนต้องมีสมองดีและมีความพยายามสูงผู้ที่สามารถเรียนได้จบหลักสูตรจะได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปราหลาดมีความแตกฉานในธรรมะและในภาษาบาลีสามารถแปลได้ทุกประเภทต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหาธรรมนะเจ้ากรมพระยาวชิรยาณนวโรรสทรงเห็นว่า การเรียนมูลกัดจายนั้นยากเกินไปมีผู้เรียนจบหลักสูตรน้อยและต้องเสียเวลาเรียนนานเกินความจำเป็นจึงทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนเสียใหม่จึงได้กลายมาเป็นหลักสูตรของการศึกษาฝ่ายคณะสองมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเรียนมูลกัดจายจึงได้ถูกลืมไปจากวงการศึกษาของคณะสองตราจนทุกวันนี้ พระอาจารย์อ้วนผู้เป็นอาได้พาสมัมมาเนรแหวนเดินทางรอนแรมไปยังจังหวัดอุบลราชธานีโดยนำไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์ันตยาขาโมอสิทเอกสำคัญสูงสุดอง์หนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานในสมัย น, นั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นท่านยังเป็นอาจารย์สองปริยัต อยู่ที่สำนักเรียนวัดบ้านสร้างถออำเภอเกษมสีมาภายหลังเปลี่ยนเป็นอำเภอม่วงสามจิจังหวัดปุบลนราชธานีพระอาจารย์อ้วนนำสำนัมาเนนขึ้นมากราบพระอาจารย์สิงแนะนำตนเองว่ามาจากเมืองเลยอันไกลโพนและเป็นอาของสัมเนนเดิมสัมมเนนชื่อยานพอบวชเนนแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นแหวนอ้อ ชือสามเณรแหวนหรือพระอาจารย์สิงห์กล่าวด้วยความชื่นชมชื่อแหวนนี้ดีแหวนเป็นเครื่องประดับกายของมนุษย์จึงเป็นของสำคัญเปรียบได้กับสติปัญญาของเราที่จะมาเสริมแต่งตัวเราให้รุ่งเรืองเปลี่องกรางต่อไปในอนาคตต่อจากนั้นพระอาจารย์สิงห์ก็ได้ตักถามเรื่องราวของสามเณร แล้วพระอาจารย์อ้วนได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการ น, ำำนําสามเณรมาฝากเพื่อขอศึกษาบาลีธรรมด้วยว่าสำนักแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมีพระเนนจากหัวเมืองต่างๆในอีสานเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายพระอาจารย์ติ๋งทราความประสงค์แล้วก็มีความยินดีมองพิมพิจารณาสามเณร น, น้อย โครงร่างผิวพรรณเปลี่ยนเล่าสะอาดในตาสุขใสบริสุทธิ์ท่าทางสำรวมมีสง่าราศีอย่างกะลาดนี่และช้างเผือกแก้วเผือกในป่าแน่แล้วจากนั้นจึงพางสมเนรไปที่กุติพระอาจารย์หลีเจ้าอาวาสแนะนําให้รู้จักไว้ตามธรรมเนียมพระอาจารย์หลยียินดีอนุญาตให้พระอาจารย์สิง รับสัมเนีนไว้ศึกษาในสำนักได้ตามปรารถนาขณะนั้นมีพระเนนเรียนอยู่ในสำนักวัดตั้งของ่อหัวตพานซึ่งมีพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขมโมเป็นพระอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ประมาณเจ็ดปีโรคตอนนั้นพระอาจารย์สิงห์ยังเป็นพระมหานิกายยังไม่ได้ปวารณาเป็นจิตกรรมฐานของพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโต หลวงปู่สิง์นับเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่สอนพื้นฐานการภาวนาให้กับหลวงปู่แหวนอันเป็นเหตุให้หลวงปู่แหวนมอบกายถวายชีวิตให้กับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงที่สุดได้หลวงปู่แหวนจุจินโนได้เล่าถึงการเรียนมูลกัดจ่ายว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนสมัยปัจจุบัน ครูที่สอนก็ไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่จะแยกอยู่คนละที่เมื่อถึงเวลาเรียนนักเรียนต้องแบกหนังสือไปเรียนถึงที่อยู่ของครูแต่ละท่านวันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปเรียนกับครูท่านนี้วันพรุ่งนี้เรียนวิชานั้นก็จะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับครูท่านนั้นแบกไปแบกมาจนกว่าจะเรียนจบ ที่ว่าแบบหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะว่าในสมัยก่อนหนังสือพิมพ์เป็นเล่มไม่มีเหมือนสมัยปัจจุบันหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ใช้คำทีใบลานเป็นพื้นนักเรียนต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือคือพระธรรมจะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียนนักเรียนจะต้องเข้าป่า หาใบลานเอาไว้สาหรับทำคำทีเพื่อฝึกหัดจานหนังสือโดยการใช้เหล็กแหลมเขียนลงไปให้เกิดเป็นรอยวิธีทำคำทีก็คือไปหาใบลานเลือกเอาเฉพาะใบที่อายุได้หนึ่งปีแล้วถ้าเอาใบอ่อนมามักใช้ได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเอาใบแก่เกินไปมักเปราะแตกหักง่ายเมื่อได้ใบลานมาแล้วก็เอามาตรีด ครีดใบเลาะเอาก้านออกตากน้ำค้างไว้สามคืนพอมาแล้วใช้ได้หรือเชือกร้อยทำเป็นผูกผูกมากน้อยตามต้องการเวลาไปเรียนกับครูก็ใช้คำที่ที่เตรียมไปนี้สำหรับคัดลอกตำราและหัดจามหนังสือพร้อมกันไปด้วยดังนั้นผู้เรียนจึงต้องจามหนังสือขึ้นเองเอาไว้ท่องบนทบทวนต่อไป เพื่อนพระเนมที่เรียนมูลกัดจัยด้วยกันตามที่ท่านเล่าก็มีพระเนียงกับพระเหลาภายหลังเพื่อนทั้งสองได้พากันลาปิตขาไปหมดสําหรับครูผู้สอนที่หลวงปู่เคยพูดไว้มีดังนี้พระอาจารย์เตรอิยมวัดเลลุวันบ้านไผ่ใหญ่สอนวิชา ม, มูลกัดจัยพระอาจารย์ชมเป็นพระที่ใจเย็นเวลาสอนหนังสือกใจเย็นลูกติดชอบทันมากพระอาจารย์ชาลี เวลาสอนหนังสือจะดุมากแต่แปลหนังสือได้ชิสดาลเพราะเคยลงมาศึกษาอยู่กรุงเทพนานทั้งสิบปีพระอาจารย์อ้วนสอนวยาก์สอนแปลโดยยึดพระปาฏิโมกเป็นพื้นหัดแปลกันจนคล่องแคล่วขึ้นใจหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่เคยท่องปาฏิโมกแต่ท่านสามารถยกสิดขาบทขึ้นมาแปลได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ติดขัดเลย สำหรับหลวงปู่สิงขันจายาขมมอในขณะนั้นท่านเป็นครูสอนปริยติธรรมในฝ่ายมหานิกายอยู่ท่านมีภาระยุ่งอยู่กับการค้นคว้าตำรับตำราคำชี์ต่างๆเพื่อเตรียมไว้สอนลูกจิตจึงหาเวลาว่างที่จะอบรมกรรมาฐานให้ไม่ได้หลวงปู่สิงได้แต่เพียงแนะนำหลักวางกว้างอันเป็นพื้นฐานในการทาสมาธิภาวนาเท่านั้น ซึ่งสามารถเน้นแหวนในขณะนั้นให้ความสนใจมากแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังพระอาจารย์สิงห์ท่านมีความคิดเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ท้งค้นพบตั้งสอนให้คนเราหลุดพ้นจากวัฏสงสารทุกข์คือความเบียนไหวตายเกิดเพื่อไปสู่พระนิพพานคือความดัสนิีพระสงฆ์ผู้ตรกสโาานวาดของพระพุทธเจ้า พึงปฏิบัติด้วยกายวาจาใจให้บรรลุตามเป้าหมายของพระพุธทธองค์ที่ก้องวางหลักบรรยัญญติไว้นี้ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ลืมความจริงในข้อที่ว่ามนุษย์โดยมากคือคนเราทุกวันนี้ยังไม่สามารถจะไปนิพพานกันได้ไง่ายๆต่างก็าวดำเนินชีวิตอยู่เป็นหมู่คณะมีชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเป็นประเทศชาติ ต้องทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความเหนื่อยยากมีโรคมีโกรธมีหลงดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าคือผู้ที่ตรวเรื่องทุกข์ให้พวกเขาไปเสียแค่ทุกอย่างเห็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอยาเป็นตุลากรารตัดสินปัญหาของชาวบ้านและเป็นอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาร้อยแปด ซึ่งพระก็ต้องจำใจอนุโลมตามเพื่อช่ยเหลือญาติยมช่วยชาวบ้านตามมีตามเกิดเพราะถ้าไม่ช่วยแล้วชาวบ้านก็จะกล่าวหาได้ว่าพระขององค์เจ้าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรี่เหลือชาวบ้านไม่ได้สิ่งใดมีประโยชน์บางอย่างทางไสยเวทยุทธยาคมเราต้องยอมรับเอาไว้ใช้ในทางพระพุทธศาสนาบ้าง ไม่ควรจะเหยียดหยามสิ่งที่มีคุณค่าของลัทธิอื่นๆโดยไม่อยากจะเอาความรู้สึกดีๆของคนอื่นมาใช้อำนวยประโยชน์ด้วยด้วยเหตุนี้พระอาจารย์จิงซึ่งเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางธรรมบาลีอักขระสมัยและสายเวทยุทยาคมในสมัยนั้นจึงได้ถ่ายทอดวิชาสายเวทอำนาจจิตให้แก่พระเนรโลกิตที่สนใจในทางนี้ ควบคู่ไปกับบาลีธรรมด้วยเพื่อที่พระเนนจะได้นำไปสมเคราะห์ชาวบ้านป่าเมืองดงชนบทที่ห่างไกลความเจริญที่ได้รับทุกภัยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคร้ายนานาบ้างก็ถูกคุณใสต้องอาถรรพ์บางก็ถูกสัตว์ร้ายขบกัดบ้างก็ต้องอุบัติเหตุกระดูกหักรักษาไม่หายพระก็ต้องใช้เวทมนตร์คาถาประสานกระดูกให้ บ้างก็ปัดปรังควานและตะเดาะกุมารตายในคันซึ่งแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถจะเดินทางเข้าไปเยียวยารักษาให้ได้เพราะอยู่ห่างไกลเป็นวิชาพิเศษที่พระเนนจะต้องเรียนรู้ไว้นะเพราะพระเนนและวัดเป่นที่พึ่งทางกายทางใจของชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขามาขอความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยแล้ว เราช่อเหลือเขาไม่ได้ชาวบ้านก็จะกล่าวหาเอาได้ว่าพระเนนบวชเรียนแล้วไม่เห็นทาประโยชน์อะไรให้ชาวบ้านได้บวชเกลืองผ้าเหลืองเรืองข้าวสุกชาวบ้านไปเปล่าๆเอาสบายแต่ตัวเองพระอาจารย์สิงกล่าวทํานองนี้กับตัมเนรแหวนผู้เป็นศิษย์ด้วยความเมตตาอ็งดู สามาเนนแหวนมีความสนใจใคร่รู้ในศาสตร์ลึกลับมหัศจรรย์ตามที่พระอาจารย์สิงห์แนะนำพระอาจารย์สิงห์ก็เล็งเห็นนิสัยใจคออันบริสุทธิ์ของสมมาเนนอยู่แล้วว่านี่ความเหมาะสมที่ควรจะได้รับวิชาพิเศษนี้จึงได้ถ่ายทอดประสิทิประสาทให้จบสิ้นตำราเลยทีเดียวแต่ก็กําชับไว้ว่า วิชาตสยเวทนิทยาคมนี้เป็นเพียงโลกิยวิชาเท่านั้นนิช่วิชาประเสริฐให้เรียนรู้ไว้ด้วยใจมั่นเพียงเพื่อเอาไว้สงเคราะห์ชาวบ้านเท่านั้นนะแต่เมื่อสัมมาเลนออกธุดงกรรมาถามเมื่อไรขอให้ปล่อยวางวิชาตสยเวทนี้เสียอย่ายึดมั่นคือมั่นอย่าติดใจหลงไหลว่าเป็นวิชาประเสริฐ เพราะเป็นเพียงโลภิยาวิชาเท่านั้นเป็นวิชาที่ขัดขวางโลกุตระธรรมขัดขวาง ม, มากผลนิพพานสมเนนแหวนรับคำสอนของพระอาจารย์สิงห์ทุกประการพระอาจารย์สิงห์กล่าวต่อไปว่าธรรมดาพระเนนที่บำเพ็ญเพียรด้านสรรมฐานจนบรรลุธรรมแต่กล้าได้ช้านสมาบัติ ได้ยิมโมกได้อภิญญาจิตข้อใดข้อหนึ่งแล้วถ้าคิดจากของเคราะห์ชาวบ้านเมื่อไรไม่จาเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถาเลยเพียงแต่นึกอธิษฐานจิตขอบรารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณให้ช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาน้ำๆก็จะสำเร็จประโยชน์ในพิตตาเห็นที่น่าอาาัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เอง สมมนาเนวนจึงเป็นผู้รอบรู้ทางสยยววิทยาอาคมอีกแขนงหนึ่งควบคู่ไปกับการเรียนบาลีธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อมีญาติโยมมาขอรดน้ำมนต์กะดกเคราะห์จากพระอาจารย์สิงห์ที่วัดพระอาจารย์มักจะใช้สมมนาแหวนทำหน้าที่รดน้ำมนต์แทนท่านอยู่เสมอเป็นการทดสอบวิชาความสามารถของลูกติดไปด้วย ปฏิปทาจริยาวัตรของสัมมาเนวนจัดเป็นผู้ถือเคร่งในพระธรรมวิ น, นัยพูดน้อยชอบใช้ความคิดเงียบขรึมรักสงบชอบอยู่ในที่สงั ด, ดีเวกไม่ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะมักจะหาโอกาสออกไปนั่งในที่สงดนอกวัดเสมอเป็นต้นว่าตามใต้ร่มไม้ในทุ่งตามป่าช้าโคนต้นไม้ บางวันภายหลังจากเรียนบาลีธรรมกับพระอาจารย์แล้วสา ม, มเณรแหวนจะออกจากวัดเข้าไปนั่งส ง, งบอยู่ในป่าช้าแต่ลําพังโดดเดี่ยวตลอดทั้งคืนจนพระอาจารย์สิงออกปากกับพระอาจารย์หลิีจะเอาวาดว่าสา ม, มเณรน้อยนี้กล้าหาญมากมีจิตใจองอาจไม่กลัวอะไรเลยเป็นมหานิกายที่ถือเคร่งเหมือนธรรมยุทธ์อาหารก็ฉันมือเดียว ไม่สนใจอาหารประเภทเนื้อเลยสามะเนนแหวนตื่นนอนประมาณตีสามตีสี่เป็นประจำถ้าคืนไหนไม่ได้ออกไปนั่งสมาธิในป่าชา้าจะลงจากกุฏิไปเดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับขึ้นกุฏินั่งสมาธิให้จิตใจสงบตามหลักสมถะสมถานจนสว่างแล้วจึงออกจากสมาธิไปทํากิจวัตรประจําวัน ปฏิปทาจริยาวัดของสมัมเณรแหวนนี้น่ารักน่าเลี้ยมใสเป็นที่ชื่นชมเมตตาของพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์หลีผู้เป็นครูบาอาจารย์ยิ่งนักหลังจากฉันอาหารเช้าวันหนึ่งพระอาจารย์สิงห์เดีถามสมัมมเณรแหวนว่าชอบกรรมฐานมากหรือไมนสามเณรแหวนพนมมือตอบนอบน้อมว่ากระผมชอบความเงียบสงัด ชอบพิจรารณาต้นไม้ใบาญ้าแล้วคิดเปรียบเทียบ ก, กับชีวิตมนุษย์และสั์แล้วเห็นว่าธรรมชาติกับใบไม้ใบาญ่านี้คล้ายชีวิตคนเรานี้เกิดมีดับหาความเทื่องแท้แน่นอนไม่ได้เลยยิ่งคิดยิ่งพิจรารณาก็มีความเพลิดเพลินเจริญใจเกิดสติปัญญาแปลกๆพุ่ดขึ้นมาเหมือนน้ำไหลรินไม่ขาดสาย พระอาจารย์สิงห์ฟังแล้วเห็นอัต จ, จันทร์อุทานในใจว่าเนนน้อยรูปนี้มีอารมณ์ิปัจจนาทาั้งทั้งที่เรายังไม่ทันได้สอนเลยเป็นปัญญาเห็นแจ้งซึ่งสภาวธรรมโดยธรรมชาติคือเห็นชาติชรามรณะผู้เห็นแจ้งอย่างนี้เรียกว่าเริ่มมองเห็นมรรคผลนิพพานได้รำไรแล้วพระอาจารย์สิงห์รู้สึกยินดี กล่าวกับสามเนนแหวนว่าชัวน้อยปฏิบัติชอบแล้วถูกทางแล้วการปฏิบัติธรรมถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติย่อมจะเปลี่ยนจิตใจเราให้ไปอยู่ในลักษณะที่จะเข้าถึงธรรมชาติรู้จักความจริงตามธรรมชาติการเข้าถึงธรรมะก็ง่ายเข้าเปรียบเหมือนต้นไม้ในภาพเขียน ย่อมจะไม่เหมือนกับต้นไม้จริงๆในป่าชันใดปริยัพกับการปฏิบัติก็ฉันนั้นปริยัพเปรียบได้กับต้นไม้ในภาพเขียนส่วนการปฏิบัติเปรียบเสมือนต้นไม้ในป่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านประสติท่ามกลางธรรมชาติกลางดินโคนต้นไม้ท่านตรัสรู้ที่พื้นดินที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งท่านปรินิพพานที่ใต้ต้นไม้ กลางพื้นดินระหว่างโคนต้นไม้สองต้นในสวนฝ่าอุทยานแห่งหนึง่งธรรมชาตินี้แหละช่วยให้คนเรามีจิตใจสงบเมื่อมีจิตใจสงบแล้วการรักษาไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือทางใดก็มันุได้ดียิ่งขึ้นสา ม, มเณรแหวนได้ระ ด, ดับอัตธรรมที่พระอาจารย์สิงเทศโปรดแล้วก็ให้มีความอิ่มเอิบขึ้นบางใจ มั่นใจในหนทางที่ตนดำเนินยิ่งขึ้นเห็นว่าการที่ได้บวชเรียนสละความสุขทางโลกนี้เป็นการดำเนินที่ถูกทางแล้วมองเห็นทางวิมุตติสุขหรือความหลุดพ้นสำหรับผู้เดินตามรอยพระพุทธองค์ได้รับไรอยู่ไกลโพ้นหากว่าสนาบารมีําชูเราคงจะได้พบกับวิมุตติสุขในวันข้างหน้าอย่างแน่นมั่น นี่สแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่แหวนท่านเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสมณะนักบวชผู้สแสวงหาบุญตามรอยบาททพระพุทธเจ้าโดยแท้มีมโนปณิธา น, นาแน่วแน่คณะที่สามเณรแหวนกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นอายุท่านครบ24บริบูรณ์ท่านจึงได้อุปสมบทในพัธศีมาวัดบ้านสร้งถอ ที่ท่านทำนักอยู่นั่นเองหลวงปู่บวชในคณะมหานิกายมีพระอาจารย์แว่เกันพระอุปชาส่วนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวานาอาจารย์นั้นไม่ทราบชื่อตอนหลังหลวงปู่ได้ออกทูดองไปคู่กับหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมอยู่หลายปีเคี่ยวไปตามป่าเขาลำนาวไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้แปรยัติ เป็นพระฝ่ายธรรมยุติกะนิกายที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปเมื่อหลวงปู่แหวงบวชเป็นพระแล้วท่านก็ยังเรียนหนังสือต่อเด็กความขมักขมันในระหว่างที่ท่านเรียนหนังสืออยู่นั้นครูสอนสองท่านคือพระอาจารย์อ้วนกับพระอาจารย์เสียมได้อาภาภด้ดยโดรคนอนไม่หลับ หมอทั้งหลายชื่อการรักษาอย่างไรก็ไม่หายสุขภาพของพระอาจารย์ทั้งสองมีแต่พุ่งสงยิ่งขึ้นพระแหวนได้เป้าพยาบาลครูของท่านอยู่ได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้วจึงแนะนำให้ท่านทั้งสองสึกออกไปเป็นครวาดเสียบางทีอาจหายจากการป่วยใช้หากมีความอาลัยในสรมณะเทศอยู่คอยกลับมาบวชใหม่ก็ได้ พระอาจารย์ทั้งสองท่านก็ทำตามได้สึกออกไปมีครอบครัวปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปในที่สุดคงจะได้หมอดีและยาดีถู ก, กับโรคของท่านอย่างแน่นอนหลังจากพระอาจารย์อ้วนกับพระอาจารย์เสีย่ยมลาปิดขาไปแล้วไม่นานบรรดาครูอาจารย์ที่เหลือก็ป่วยด้วยโรคอย่างเดียวกันพระอาจารย์ชมพระอาจารย์ชาลี และพระอาจารย์องค์อื่นๆต่างเพื่อพาการลาสิกขาไปหมดเมื่อครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือลาสิกขาออกไปหมดแล้วการเรียนมูลสัดใจของหลวงปู่จึงต้องหยุดชะงักลงตอนนั้นท่านรู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นร้นเรและขาดที่พึ่งส่วนพระอาจารย์สิงขันตยาธรรมโมก็เปลี่ยนยศติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ และออกธุดงติดตามหลวงปู่มั่นโพริทัตโตกับหลวงปู่สาคกันะศีโลออกไปแสวงดิเวตตามป่าเขาห่างไกลจากผู้คนจึงทำให้พระแหวนว้าเหวมากยิ่งขึ้นพระแหวนค่อนข้างสับสนคิดถามตนเองว่าเราจะอยู่ที่อุบลต่อไปหรือควรจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเรื่องจลาติขาคงไม่ต้องพูดถึง เพราะได้รับปากับแม่และยายอย่างมั่นเหมาะแล้วในใจของท่านเองก็ไม่ได้อยากตึกพระแหวนได้พิจารณาถึงสาเหตุที่ครูบาอาจารย์และเพื่อนพระของท่านต้องลาติขาออกไปว่าเป็นเพราะเหตุใดหนอเมื่อได้พิจารณาทบทวนไปมาก็ได้คําตอบที่ชัดเจนว่าบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นที่ตึกออกไปล้วนแต่เพราะการทั้งสิ้น เป็นไปตามอำนาจของกามกามนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งมั่นต่อความดีในแนวทางของพระพุทธศาสนาบรรดาตับทั้งหลายยอมตายก็เพราะการรมนี้มามากต่อมาเพราะความสำคัญผิดไม่รู้จักโทษของการรมที่แท้จริงลอยใจปล่อยกายให้ตกไปสูอ่อำนาจของกามเข้าเมื่อถูกกามครอบงำจิตแล้ว ก็ยังไม่รู้สึกสำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงบำรุ ง, งบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกพระแหวนได้ย้อนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับแม่และยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองท่านใคร่ครวญในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทําให้เราบวชแล้วอยู่ได้ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลือง ตามที่รับคำไว้กับแม่และยายจากการที่พระแหวนได้รับรู้ถึงแนวทางปฏิบัติกรรมฐานมาบ้างจากหลวงปู่สิงหขันตยาขโมท่านจึงตัดสินใจได้ว่าการออกปฏิบัติน่าจะเป็นทางเดียวที่ทำให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ได้ปฏิบัติกัน ม, มาท่านเหล่านั้น ได้ออกปฏิบัติกันอยู่ตามป่าเขาลเนาวไพรไม่ได้อาลัยอาวอนอยู่กับหมู่คณะเราน่าจะเลือกทางนี้ย้อนกลับไปกล่าวถึงพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมท่านได้เลิกสอนบาลีธรรมที่วัดสร้างทอเพราะทางหลวงปู่สาวกันตะสีโลได้นิมนต์ให้พระอาจารย์สิงห์เข้าไปอยู่วัดเลียบในเมืองอุบลเพื่อให้ช่วยสอนบาลีธรรม พระเนนซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันจนครูไม่พอสอนที่วัดเรียบนี้เองพระอาจารย์สิงห์ได้พบกับหลวงปู่มั่นโพรทัตโตเป็นครั้งแรกซึ่งหลวงปู่มั่นได้กลับจากทุดดงฝั่งลาวมาเยี่ยมพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์สิงห์ได้ยินได้ฟังกิตตั์ของหลวงปู่มั่นมานานแล้วว่าท่านเป็นพระมัทน้อย ถือเคร่งในพระธรรมยิ่นในอย่างยิ่งยวดมุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญดุดระชาชสีท่องเที่ยวไปในป่ากว้างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆพระอาจารย์สิงห์มอพบกับหลวงปู่มัน่นได้ เ, เจอกันว่านาทำกันเห็นทุกข์พอัธยาสัยกันอย่างลึกซึ้งเพราะทางฝ่ายหลวงปู่มัน่นเก่ทางภาคปฏิบัติ ส่วนพระอาจารย์สิงห์เก่งทางปริยัตแต่ฉันในตำราเรียนรู้พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอย่างเจนจบถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับพระอาจารย์สิงห์เก่งทางตำราเหมือนเราเรียนตำราอาหารตำราแผนที่ตำรายาเป็นต้นฝ่ายหลวงปู่มั่นนั้นได้ลงมือทำตามตำราอย่างจริงจังเปรียบได้กับการเดินทางตามแผนที่ หรือเหมือนการลงมือปรุงยาตามตำราแล้วรับประทานได้เลยจึงเลื่อมใสความจริงนั้นก่อนหน้านี้พระอาจารย์สิงเคยปฏิบัติกรรมฐานได้ฌานสมาธิมาแล้วแต่ยังไม่แก่กล้าชนะอินทร์ศีสมใจหวังเพราะยังขาดพระอาจารย์ผู้ชำนาญช่วยแนะนำชี้แนวทางดังนั้นเมื่อได้พบหลวงปู่มั่นผู้ชำนาญเปลืองปราช ในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานได้ฟังท่านเล่าถึงชีวิตการจาริศทูดงไปตามป่าเขาลำนาไพรถิงนลึกลับอาถังต่างๆซึงเกิดความตื่นเต้นสระรุงใจเรื่งใสัทธาจนขนลุกขนชันทีเดียวได้ปวารณาฝากตัวขอเป็นสิดติดตามจาริศทูดงและหลวงปู่มั่นก็รับพระอาจารย์สิงห์ เป็นติดหรือกะหัธรรมิตรด้วยความเต็มใจพระอาจารย์สิงห์จิงละการเป็นครูสอนบาลีธรรมออกปฏิบัติในป่าเขาลำเนาไพรติดตามหลวงปู่มั่นตั้งแต่บัดนั้นปายพระแหวนสุกินโนเมื่อตัดสินใจจะออกปฏิบัติกรรมฐานแล้วจึงมาคิดทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงในด้านกรรมฐานสมัยนั้น ว่ามีอยู่ณที่แห่งใดบ้างเท่าที่เคยได้ยินกิตติตับก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันที่มีชื่อเสียงในเวลา น, นั้นมีอยู่สามแห่งมีอยู่ทางเวียงจันทร์อยู่ทางอำเภอท่าอุดรเทนจังหวัดนครพนมและอีกแห่งอยู่แถบจังหวัดสกลนครพระแหวนมีโอกาสได้พบปะกับพระทุดงอยู่บ่อยๆบางก็มาจากถิ่นทางไกลเช่นขอนแก่นร้อยเอ็ด สระบุรีนครพ น, นมและที่ข้ามโขงมาจากฝั่งลาวก็มีท่านได้พบปะสนทนาทำแลกเปลี่ยนความรู้กันพระทุดงที่ได้พบปะพูดคุยปรากฏว่าอยู่ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะเป็นส่วนใหญ่ทำให้ได้ยินกิตติตรัความเปล่องปราถเพ่งเทียนอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทราบว่า พระอาจารย์สิงหขันตยาขมโมผู้ให้ความรู้ด้านก ร, รมฐานองคแรกแก่ท่านคืออําลาจากการเป็นครูสอนปรยิยัติธรรมและกําลังติดสอยให้ตามพระอาจารย์ใหญ่มัน่นในฐานะจิตเอผู้ใกล้ชิดด้วยแสดงว่าพระอาจารย์ใหญ่มัน่นท่านต้องเก่งจริงไม่เช่นนั้นพระอาจารย์สิงห์อาจารย์ของเราคงไม่ยอมฝากตัวเป็นจิแน่ก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธา และกระหายจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ใหญ่มั่นให้เร็ววันเมื่อพิจารณาทบทวนแล้วจึงได้ตัดสินใจไปหาครูบาอาจารย์ทางจังหวัดสกลนครคือพระอาจารย์ใหญ่มั่นภุริทัตโตเย็ยนวันนั้นพระแหวนรีบสองน้ำแต่วันทำลงก็เข้าที่จวดมนตามปกติเสร็จแล้วได้ตั้งตัดจาภพิษฐานตั้งจิตตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพมจันท ร, ร์ของข้าพเจ้าถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าที่เคยได้อบรมสั่งสมมาขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ข่าวครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้สามารถแนะนําสั่งสอนข้าพเจ้าได้แม้ท่านจะอยู่ณนะที่แห่งใดก็ตาม ขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็ววันนี้และเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติกรรมฐานแล้วขอจะได้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆแก่ข้าพเจ้าเลยหลังจากตั้งปัจจัยอธิฐานแล้วท่านบอกว่าเกระทาการขนลุกสู้เย็นชาบต้านไปทั้งตัวเบาใจจิตใจปลอดโปร่งโล่งทั้งคืนรุ่งเช้า พระแหวงออกบินทบาทตามปกติได้เล่าถึงความตั้งใจและการอธิษฐานจิตของท่านให้แก่แม่กาสียกอุปถาบฟังโยมแม่กาสีรู้สึกเห็นชอบและอนุโมทนาในความตั้งใจออกปฏิบัติกรรมฐานของพระแหวนพร้อมกับรับปากว่าจะช่วยสอบถามข่าวคราวเกี่ยวกับพระอาจารย์สิงห์หากได้ยินข่าวหรือรู้ว่า พระอาจารย์ใหญ่มั่นโพริทักโตอยู่ที่ใดจะรีบบอกให้ราบทำทีหลังจากนั้นอีกเพียงสองถึงสามวันโยมแม่กาสีก็เล่าฝั่งว่าพระอาจารย์จวงวัดท่าเทิงอำเภอเสื่องในจังหวัดอุบลรราชธานีได้ไปกราบหลวงปู่มั่นเพ่งจะกลับมาได้นิกี่วันนี้เองให้ไปสอบถามพระอาจารย์จวงดูคงจะทราบข่าวของหลวงปู่มั่นอย่างแน่นอน นับเป็นข่าวที่น่ายินดีมากสำหรับพระแหวนความหวังที่จะได้พบพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสามารถตั้งสอนท่านได้เริ่มได้เขา้าความเป็นจริงขึ้นมาตามคาอธิษฐานแล้วเมื่อกลับจากบินท บ, บารฉถันเสร็จพระแหวนก็จัดบริษารสำหรับเดินทางกราบลาท่านเจ้าํานักบอกลาผู้คุ้นเคย แล้วเดินทางเพื่อไปพบพระอาจารย์จวงที่อำเภอเขืองในทันทีพระอาจารย์จวงได้เล่าเรื่องที่ท่านไป ก, ก, กราบและฟังธรรมกับหลวงปู่มั่นว่าบําดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้คงไม่มีใครเกินยาครูมัน่นไปได้ครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิติศัพท์มีผู้เล่าให้ฟังว่าท่านเพศเก่งรู้ใจคนฟัง มีผู้ไปฟังธรรมจากท่านมากมายตอนแรกผมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างต่อมาเมื่อผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่านพอผมไปถึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านก็พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ผมคิดไว้เช่นผมไม่กล้าพูดอะไรผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆ เมื่อผมกราบนโมสักการได้ฟังธรรมท่านแล้วผมก็ลา ก, กลับมาถึงวัดในกี่วันมา น, นี้เองพระอาจารย์จวงแนะต่อไปว่าผมไม่กล้ายอยู่กับท่านยาคูมั่นนานวันเพราะท่าทางคำพูดของท่านน่ากลัวหากท่านจะไปศึกษากับยาคูมัน่นก็ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นว่าในเวลานี้จะมีใครปฏิบัติได้ดีไปกว่าท่าน ท่านยาคูมัน่นท่านปฏิบัติได้เดดเดี่ยวจริงๆท่านชอบไป อ, องค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะมีนิสัยหลีกเฟรนปรารบความเพียนไม่้อถอยมีพระภิกษุและสา ม, มเณรทั้งประชาชนจานวนมากไปกราบนมสนัสการและฟังธรรมจากท่านเสมอไม่ได้ขาด